เมื่อวานก็ได้กล่าวถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยที่เราทั้งหลายมีพระพุทธเจ้านี้เป็นสาระเป็นเครื่องกำจัดภัยมีพระพุทธเจ้านั้นเป็นคติคติก็คือเป็นที่ไปแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ดำเนินไปในเบื้องหน้าหมายค่ะว่าไม่เหงาแล้วเราเป็นผู้ที่มีผู้นำทางและมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นาทางมีพระพุทธเจ้าเป็น ที่ยึดเหนี่ยวมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำลายทุกข์มีพระพุทธเจ้าเนี่ยคอยจัดแจงประโยชน์เกื้อกูลแก่เราทั้งหลายคอยจัดประโยชน์และเราทั้งหลายรู้คือตรัสรู้ตามเราเป็นผู้ขอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อริยสัพท์เราก็ขอตรัสรู้ตามท่านการที่เราขอตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้ชื่อว่า มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทีนี้ก็เลยไปหาธรรมังสารังขาชามินะเคยรับมาเยอะแล้วธรรมังสารังคขาชามิธรรมังตัวนั้นธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรกว้างก้างขนาดไหน อ่าถ้าถามว่าแล้วเอาธรรมชาติมาเป็นที่พึ่งได้ไหมอ่าฉันต้องธรรมะต้องต้องเป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งให้ได้นะไอ้ธรรมะที่เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้จะเอามาเป็นทําเอามาเป็นธรรมังสารนังขะฉามีได้ยังไงถามว่านาฬิกานี่เป็นธรรมะไหมเป็นแล้วเราบอกนาฬิกาสารนังขะฉามีได้ไหมเป็นไหม อคิดให้ดีนะแก่วน้ำเป็นธรรมะไหมเอาเัราะธรรมะเนี่ยต้องแยกแสดงว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรธรรมะบางอย่างคําว่าธรรมะเนี่ยแปลว่าทรงไว้ซึ่งสภาวะนั้นๆคําว่าธรรมะเฉยๆนะีแปลว่าทรงไว้ซึ่งสภาวะธรรมแต่ธรรมะที่เป็น สารณะเนี่ยส่งไว้ซึ่งอะไรก็สภาพที่ชื่อว่าธรรมะเพราะพระธรรมเนี่ยส่งไว้ซึ่งผู้ได้บรรลุอริยมรรคแล้วทำให้แจ้งนิโรธแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสอนอยู่ไม่ให้ตกไปในอบายสี่นี่นะตรงนี้จึงจะหมายถึงธรรมะที่เป็นธรรมังสารนังขะฉ า, ามิอกุศลเป็นธรรมะไหม อกุศลเป็นธรรมไม่เป็นสภาวะธรรมแต่สภาวะธรรม น, นั้นไม่สามารถที่จะทรงทรงเราให้พ้นจากอบายทุกข์ได้ดันั้นอะไรก็ได้ถ้าเฉพาะตรงนี้ก็คือหมายถึงอริยมรรต์ับนิพพานที่ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตาม ไม่ให้ตกไปในอบายทั้งสี่นนะนี่นี่ความหมายของคาว่าธรรมะธรรมะที่ประสงค์ที่เป็นธรรมังสารานังขะฉ า, ามินะนถ้าหากว่าโอ้เราบอกว่าธรรมังสารานาังขะฉ า, ามิหมายถึงอะไรก้อนอิดอย่างเงี้ยโอ้ก้อนอิดเป็นสารานานเนี่ย น, นามุ่งหน้า ม, มืดเหมอนกันนคนนี้นน <laughs> ไปเปเรื่องอื่นแล้วทีนี้ต่อไปนะ พระธรรมนั้นโดยเนื้อความโดยอัฏฐะที่ประสงค์แล้วได้แก่อริยมรรคกับนิพพานสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังคตะคือมีปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8ปเราตถาคตกล่าวว่าล้าเลิศกว่าสังคตะธรรมเหล่านั้นนะในบรรดาสิ่งที่ประกอบกันขึ้น อย่างก้อนอิกก้อนหนึ่งก็ถือว่าประกอบกันขึ้นแก้วน้ำแก้วหนึ่งก็ถือว่ามีปัจจัยประกอบกันขึ้นเหมือนกับที่พวกเรามานั่งรวมๆกันอยู่นี่ก็เรียกว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้นโดยที่สุดแม้กระทั่งมันใหญ่โตขนาดไหนก็ตามก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเหล่านี้เรียกว่าสังคตะธรรมในบรรดาสิ่งที่ประกอบกันขึ้นนั้นอริยมรรยมร อริยแปลว่าประเสริฐมักแปลว่าทางหนทางที่ประเสริฐที่ประกอบด้วยองแตกบัณฑิตกล่าวว่าเลิศทั้งหมดในบรรดาสังฆาธรรมในบรรดาการประชุมพร้อมของสังคาธรรมทั้งหมดอริยามากประกอบด้วยองแตกก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมากรรตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิองค์8ปดนี่นะเป็นพระธรรมที่ทรงไว้ซึ่งผู้ได้ธรรมะอันนี้ไม่ให้ตกไปในอาบายสี่อนะถ้ามีคุณธรรมแตัวนี้อยู่ในจิตไม่ใช่อามาทีอะไรอย่างนะเก็บมาทีละชิ้นดีละชิ้นต้ององค์ประกอบทั้งแดเนี่ยถ้ามีองค์ประชุมทั้งแปดอยู่ในจิตของผู้ใดทรงผู้นั้นไม่ให้ไปอาบายสี ก็คือเป็นพระโสดาบันอ่ะคนที่มีองค์แปดประชุมพร้อมขณะเรกคือพระโสดาบันะนะและอีกอย่างหนึ่งนะนิพพานนิพพานก็ถือว่าเป็นในบรรดาธรรมะทั้งหมดเลยนะนิพพานประเสริฐที่สุดในบรรดาสังฆะและอสังฆะทั้งหมดนิพพานประเสริฐที่ผุดเพราะฉะนั้นสารณะของเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมมาเป็นที่พึ่องอ่ะ อันนี้ก็สังกะตะัตแต่นี้ไม่เอามาเป็นนิพพงกเอาไว้ดูเวลาต่อไปนะพระองค์บอกว่าความพิสดารควรทราบดังต่อไปนี้พระธรรมไม่ใช่อริยมรรคและพระนิพพานเพียงเท่านั้นที่แท้ได้แก่พระปริยะติธรรมพร้อมทั้งอริยมรรคคาว่าปริยะติธรรมก็ได้แก่พระไตรปิฎกพระอริยมรรคอริยผล ด้วยนะสมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ในฉัฏตะมานักกาวิมานวัตถุว่าท่านจงเข้าถึงพระธรรมอันเป็นธรรมคลายกําหนัตตรงนี้เป็นชื่อของมรคนะธรรมะที่คลายกําหนัตบาลีเขาเรียกว่าวิราคธรรมวิราคธรรมเป็นธรรมไม่วันไหวไม่มีความเศร้าโศกอันปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ ไม่ปฏิกูลเป็นธรรมะไพเราะซื้อตรงเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกดีแล้วหนีเพื่อเป็นสารณะคือที่พิ่งเถิดข้อความในวงเล็บเนี่ยให้อัดมาว่าถ้อยคำข้างบนเนี่ยหมายถึงอะไรเช่นคำว่าธรรมะอันเป็นที่คลายกำหนับเนี่ยได้แก่อริยมรนะธรรมะที่ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกก็คือ อริยผลธรรมะที่ปัจจัยปรงแต่งไม่ได้ก็คือนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ปฏิกูลเป็นธรรมะไพเราะซื่อตรงเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกดีแล้วอันนี้ได้แก่พระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า บ, บอกให้ถึงธรรมะนี้นะเป็นสารณนะนี่คือที่พึ่งของเรา สรุปว่าขั้นขั้นผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องมีพระทํามขั้นพระไตรปิฎกเป็นที่พึ่งใช่ไหมครับก็จะกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าสำหรับมรรค็ิีผลกดีก็ยังไกลจากจากพวกผมก็คือน้อมนึกได้น้อมนึกได้บางทีเนี่ยในคำทีท่านกล่าวอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมใดทำให้แจ้งธรรมใด ทรงตรัสรู้ทาใดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทําใดประกาศทําใดข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นนะนะนี่อีกในหนึ่งนะวิธีการถึงสารณะอีกในหนึ่งก็อย่างนี้ก็ได้นั่นแหละธรรมะที่พระองค์ทรงปฏิบัติทรงบรรลุทรงทําให้แจ้งทรงสั่งสอนใดขอถึงธรรมะนั้นเป็นสารณะนั่นแหละ ทีนี้ท่านอธิบายให้เห็นชัดว่าบรรดาคุณธรรมเหล่านั้นมักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิราคะวิแปลว่าวิเนี่ยตรงนี้แปลปฏิเสธนะวิหรือแปลว่าไม่มีก็ได้ราคะแปลว่าความกำหนับธรรมะเป็นเครื่องคลายกำหนับเนี่ยอผลเนี่ยแต่เรียกว่าอาเนีชังอเนีชังกับอเนนชาเนี่ยแตกต่างกันถ้าอาเนนชาหมายถึงอรูปฌาน ถ้าอาเนชังตรงนี้หมายถึงผ ล, ลจิตแล้วก็พระธรรมต้องเป็นอาเนชังอาโศกังไม่หวั่นไหวไม่มีความเศร้าโศกสองคำนี้หมายถึงผ ล, ลจิตผ ล, ลจิตไม่ใช่วิบากจิตแบบธรรมดานะไม่ใช่จกักขูวิญญาณโสตวิญญาณซึ่งเป็นวิบากจิตกระจอกแบบนี้ไม่เอาละแต่ต้องหมายเอาอาริยะผ ล, ละจิตนโน่นพระไหนนะ ่ศัพอเนนชังกับอเนนชาเนี่ยอเนนชังแล้วก็รู้สึกว่าจะความหมายจะใกล้ๆกันด้วยนะใช่พ่อย่างอเนนชานี่หมายความว่าเอ่อเป็นอรูปชาเนี่ยนะครับไม่วันไหวฮะไม่วันไหวแต่ที่นั้นเนี่ยถ้าใช้คําว่าอเนนชังส่วนใหญ่หมายถึงอรูปชาณจิตแต่อเนนชังตรงนี้เนี่ยหมายถึงพลิกจิต และเอกในหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องศัพท์นี้ถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาไวยากรณ์เข้าใจแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะนี้เป็นข้อความในคาถาเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นคาถาไม่ใช่จุนิยะไม่ใช่ร้อยแก้วเป็นบทร้อยกรองนั้นสั์ไหนที่ตัดออกได้ท่านจะตัดนะผู้ที่ศึกษาภาษาก็พอจะรู้นี่ต่อไปพระนิพพานแต่เรียกว่าอสังขตธรรมเป็นธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มีบางท่าน แปลนิพานว่านิพานนี้เป็นอนารมณะเขาแปลว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่านิพานไม่ใช่อารมณ์เขาบอกว่านิพานไม่ใช่อารมณ์เขาแปลว่านิพานไม่ใช่อารมณ์มาจากบาลีว่าอนารมณะนิพานนี้เป็นอนารมณะตัวนิพานเองรู้อารมณ์ไม่ได้ตัวนิพานไม่รู้อารมณ์ แต่อาริยมรุษเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์อริยมรุษเนี่ยรู้นิพพานแล้วนิพพานนั้นก็เป็นอารมณ์ของอริยมรุษอริยผลนั่นแหละมรรคจิตกับผลจิตเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ต่อไปธรรมขันธ์ทั้งหมดที่ทรงจําเนกไว้โดยปิดกทั้งสามตราเรียกว่าอปปติกูลังพระธรรมเหล่านี้ไม่ปฏิกูล มธุรังมะทุรสนะมะทุรสเนี่ยเป็นน้ำผึ้งอ่ะมะทุราวาจาเนี่ยมะทุรสเนี่ยแต่ว่าน้าผึ้งเนี่ยเป็นพระธรรมที่จะบอกว่าหวานนี่มันกะไรนะบอกไพเราะดีกว่าปะคูนังเนี่ยซื้อตรงสุวิพัตังวิพัตเนี่ยก็คือจำแนกอ่ะจำแนกอย่างดีเลยพูดถึงพระธรรมนั่นแหละว่าเป็นสารณะตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วชื่อว่าถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะ น, นะผู้ที่นับถืออริยมรรคอริยผลนับถือนิพพานนับถือปีดกสามผู้นั้นเชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสารณะนอกนั้นไม่ใช่ท่านบอกไว้เลยนะท่านนอกนั้นไม่ใช่ไม่เชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสารณะ oh oh อันนะผู้ใดนับถืออริยมรรค อริยผลนิพพานและพระไตรปิฎกคนนั้นชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสารณะส่วนนอกนั้นไม่เชื่อว่ามีสารณะไม่เชื่อว่ามีพระธรรมเป็นสารณะแปลว่าไม่ใช่ศาสนิกชนในพุทธศาสนาพวกไม่ได้นับถือแบบนี้นะไม่เชื่อว่าศาสนิกชนในพุทธศาสนาตรงนี้ก็ น่าคิดเหมือนกันนะหมายความว่าถ้าเรานับถือศาสนาเนี่ยแล้วมีอา่ามีรัตนะนี้อามีมีสราระอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าหมายความว่าเรานี่ต้องมุ่งตอนนิพพานด้วยมรรคผลด้วยใช่<อ>ไหมครับนับถือนะับถือนับถีเหรฮะเจนพรก็คือเราเราม า, มาให้ความหมายของคําว่าสาระเราเป็นผู้มีอริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยติธรรมเป็นสาระ เป็นเครื่องกำจัดภัยหนึ่งนะนับถือท่านโดยท่านเนี่ยเป็นเครื่องกาจัดภัยเป็นคติคติเนี่ยแปลว่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหรือว่าเป็นที่ดำเนินไปในเบื้องหน้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ทำลายทุกอ่าเป็นผู้จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลให้แก่เราและเราเนี่ยขอตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้แหละอย่างนี้จึงจะเชื่อว่าเป็นคนที่มีธรรมะเป็นสารณะนะ ถ้าถ้าเอาแบบในยุคนี้จริงๆก็หายากนะที่นับถือพระธรรมว่าเป็นสารณะแบบที่ว่าเนี่ยหายากหายากเขาจึงกล่าวว่าพุทธศาสนิกชนในสั ม, มโนควรว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่โดยไม่ใช่โด ย, โดยถึงสารณะคมโดยสภาพของจิตแต่ถึงโดยสมมโนควรว่เพราะฉะนั้นนี่นะครับผู้ที่มี ถึงเข้าถึงไตสรณคมเนี่ยจึงเป็นเป็นหมหากุศลสูงกว่าสูงกว่าอะไรที่ที่ที่เราบาเพ็ญมาทั้งหมดเลยเจริญพรเพราะว่ายากอย่างนี้นะครับเพราะผู้ที่จับมู่พระนิพพานลุ่นมีพระนิพพานเป็ น, เ ป, นเป็นที่ปลายเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังก็ดีเนี่ยนะเจริญพรถ้าเราบอกว่าเรามีพระไตรปิฎกเป็นที่พึ่งที่หวงังเรายังพอเข้าใจใช่ไหมครับ แต่บอกว่ามีมรรคจิตผลละจิตมีนิพพานเป็นที่พื้นเนี่ยไม่ใช่เข้าใจง่ายนะครับและออย่างหนึ่งนะคนที่เข้าใจพระไตรปิฎกจะเข้าใจอริยมรรคอริยผลและนิพพานด้วยถ้านับถือพระไตรปิฎกจริงๆนะนคนนั้นจะเข้าใจเพราะคําว่านับถือพระไตรปิฎกถามว่านับถือรูปเล่มใช่ไหมนับถือรูปเล่มอ่ะไม่ใช่นะเ <k> พราะนับถือพระไตรปิฎกก็คือนับถือคําสอน คำสอนอันนั้นกล่าวถึงมรรคอยู่แล้วกล่าวถึงผลกล่าวถึงนิพพานอยู่แล้วดังนั้นเรานับถือคําสอนที่เป็นคําสอนชี้แจงในเรื่องมรรคผลนิพพานคือถ้าจะมีสาระจริงนี่นะฮะถ้าจะมีมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นที่พึ่งจริงนะหมายความว่าผู้นั้นต้องเข้าใจความหมายดังนั้นการถึงสาระจริงแบ่งออกเป็นสองอย่างไนะแบบโลกียะกับแบบโลกุตระรซึ่งาราจากระกล่าวต่กข้าง ห, หน้าอีก ะรพราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เข้าใจว่าไอ้ธรมมังสรารณะกัจฉามิยังไงจึงมีคนกล่าวจ่วงจาบสารณะของตัวเองอยู่เรื่อยเช่นคนกล่าวจ่วงจาบคําสอนในพระไตรปิฎกก็คือจ่วงจาบสารณะของตัวเองนั่นแหละเช่นถ้าหากว่าใครบอกโอ้ยพระไตรปิฎกคําสอนไม่ต้องไปเรียนหรอกคํานี้จ่วงจาบนะ คำสอนเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้าถ้าเราห้ามไม่ให้คนศึกษาคำสอนก็เท่ากับห้ามไม่ให้เขาเข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่ไมไ่ให้เขาเข้าไปหาพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าหากว่าไม่หาพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะปฏิบัติถูกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการกล่าวจ้วงจามบอกว่าเออมักคนทพ่พามันไกลนักเกินอย่าพูดไปคิดมันเลยถ้าหยานี้ก็จะถึงการจ้วงจามใช่ไหมครับก็สังเกตดูสภาพจิตนั้นที่พูด พูดด้วยความเคารพไหมกล่าวถึงนิพพานด้วยความเคารพไหมถ้ากล่าวด้วยความเคารพจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าไม่เคารพเนี่ยก็มีโทษเมื่อเกิดขึ้นหลังจากที่อบรมเจริญวิปัสสนาสุดยอดแล้วนะอริยมรรคจิตจะเกิดแล้วมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พอมรรคจิตดับไปโพลจิตก็จะเกิดขึ้นก็ยังมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในช่วงนั้นแหละเขาเรียกว่ามรรคผลนิพพาน ซึ่งไอ้มักผลของเราเนี่ยมันมักขปใจผลเหมือนกันแต่เป็นวิปลาขปัจแบบธรรมดานี่ผลเหมือนกันจากครูวิญญาณก็ผลโสตวิญญาณก็ผลนะวิตตกไปเจรสิกเกิดขึ้นก็มักขปใจเหมือนกันแต่แต่มักแบบนี้เนี่ยไม่เป็นสาารณะให้ได้ไหมล่ะนั่นแหละตรงนี้นะนนก็คิดเอาซึ่งเชื่อะยม ตั้งแต่ไม่เคยศึกษาธรรมะเลยนะคิดถึงเรื่องนิพพานอย่างหนึ่งศึกษามาจนถึงนิทุวันนี้ก็คิดเรื่องนิพพาน อ, อย่างหนึ่งศึกษาไปอีกสองปีนะจะคิดอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละเพราะคนที่คิดนิพพานได้อย่างถูกต้องคนนั้นเป็นพระโสดาบานันนั่นแหละคนที่คิดถึงคิดถูกเลยว่านิพพานเป็นยังไงคนนั้นเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าไม่มีไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะคิดยังไงก็คิดไม่ถูก แล้วพระองค์บอกว่านิพพานไม่ได้อยู่ที่ตักกะมาตักกะเหตุอย่าไปคิดคิดไม่ถูกหรอกพรานถ้าเรื่องที่จะคิดก็คือคิดเรื่องขันห้าให้มากๆที่สุดแห่งการไม่ยึดถือขันห้าเนี่ยเป็นยังไงเพรานคนที่เกิดมาป่วยตั้งแต่เกิดเลยนะเขาไม่รู้หรอกว่าการหายโรคมันเป็นยังไงมีวิธีเดียวคือกินยาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะรู้เองว่าหายโรคเนี่ยมเป็นยังไง แต่ก็การหายโรคถือว่าเป็นเป้าหมายของคนคนตว่วชั้นใดผู้ศึกษาพระธรรมก็เพื่อที่จะหายโรคคือกิเลสชั้นนั้นนั่นแหละอ่ะทีนี้พระธรรมเราพอได้ได้คำจำกัดความเลยนะว่าพระธรรมที่เป็นสาระจริงๆเนี่ยก็คือรบทวนอีกครั้งอริยมรรคอริยผลนิพพานและพระปริยติธรรมที่พระองค์ทรงกล่าวแล้วอย่างนี้เป็น สรณะถ้าผู้ที่ไม่ได้นับถือธรรมะสี่คำนี้อ่ะสี่คำใหญ่ๆนี่นะไม่ใช่คนที่ถึงถ้าทาเป็นสารณะเลยนั่นแหละอาจจะถึงอย่างอื่นไปต่อไปที่เชื่อว่าพระสงฆ์เพราะประกอบด้วยความสม่ำเสมอการด้วยศีลและทิฏฐิคำว่าสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่สังฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ มูมูชนที่สมาเสมอกันด้วยศีลศีลไหนอ่ะก็ศีลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วอมด้วยทิฏฐิทิฏฐิไหนอ่ะก็คือทิฏฐิตามพระไตรปิฎกนั่นแหะมีความเห็นตามคำสอนนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์พระทำคำสอนท่านกล่าวว่าอย่างไงมีความเห็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่า นั่นแหละชื่อว่าพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยเราเคยได้ยินนะแบ่งออกเป็นสมมุติสง์กับอริยะสง์สมมุติสงคือพระสีรูปอยู่ในบทเ อ, เอาแบบภาษาเราๆนะภาษาสำนวนท่านยาก็อยู่ในสีมาเดียวกันกําลังทําสังฆกรรมอยู่ถูกโดยธรรมโดยวินัยโดยคําสอนทําถูกหมดเลย สี่องค์ขึ้นไปเนี่ยถ้าอย่างนี้เป็นสมมุติสง์สมมุติเพราะในขณะนั้นเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิในขณะที่ทําสังฆกรรมร่วมกันขณะอื่นทั่วไปเรียกว่าภิกษุโกภิกษุขอภิกษุงอภิกษุแปลว่าผู้ผู้ขออ่ะอาตมาเนี่ยขอเลยเห็นหน้าไม่หน้าเห็นหน้าพระทุกวันไอเรียอะไรเปล่าเนี่ย อทีนี้สุปฏิปันโนะที่ว่าสงประสงในที่นี้ที่เป็นสารณะก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามคาสอนอย่างถูกต้องจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานคนนั้นเรียกว่าอริยะสงอันคนที่เรานับถือว่าเป็นสารณะจริงๆเนี่ยแบบนั้นนะฉนั้นเราจะโยนภิกษุบุคคลบอกนี่คือสาารณะของเราเนี่ยไม่ได้นะ ต้องนับถือให้ถูกถ้าคนทุกวันเนี่ยนับถือพระสงฆ์ไม่ถูกละข่าวพิกษุ ก, กเสียหายโอ้ยพระสงฆ์ยุคนี้ไม่ดีใช่ไหมเพราะะถ้าหากว่าใครไม่รู้จักพระสงฆ์เนี่ยมันจะนับถือถูกเลยสังฆสารนังฆะฉามีก็ว่าไปอย่างนั้นแหละโดยที่เอ๊ะสังฆสารนังฆะฉามีเนี่ยเป็นของสูงใช่ไหมเป็นรัตนะ เมื่อเป็นรัตนาเนี่ยเอะแล้วคนทําเสียเสียอย่างนั้นแล้วบอกว่าพระสงฆ์เสียแล้วเพราะสรณะจะไม่มีเสียพระสงฆ์ยงงิ่งๆจะไม่มีเสียมาเห็ตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าอาพระสงฆ์ของเราเนี่ยอริยสงฆ์ของเราเนี่ยนะก็หมายความว่าแม้แต่นางวิสาขาก็ดีนะอนาคามิกทกษิติแต่ถีก็ดีนี่นะครับรนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะถือเป็นสรณะได้ด้วย ด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ข้อตัวท่านเป็นผู้ที่อยู่ในสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเป็นต้นเพราะพระสงฆ์นั้นโดยใจความก็ได้แก่ชุมนุมแห่งพระอริยบุคคลแปดจำพวกไม่ให้คนเดียวด้วยกลุ่มชนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้อริยมรรคเพื่อรู้อริยผลและบรรลุธรรมอ่ะมูชนทั้งหมดนั้นเรียกว่าอริยสงฆ์ที่เป็น สาวกของพระพุทธเจ้าที่เหลือไม่แน่ที่เหลือไม่แ น, แน่ถ้าเป็นถ้าทุกวันเนี่ยถ้าเป็นภิกษุบุคคลเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามที่ว่านั้นน่ะท่านก็เป็นสงฆ์ด้วยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่สารณะเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในคำพีฉัตตามมานวิกะวิมานวัตถุนั่นแหละว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวทานอันบุคคลให้แล้วในพระอริยสงฆ์ผู้บริสุทธิ์เป็นคู่แห่งบุรุษสี่เป็นบุรุษบุคคล8ปดเพราะเหตุได้เห็นธรรมว่ามีผลมากท่านจงเข้าถึงพระสงฆ์นี้เพื่อเป็นที่พึ่งเถิดดังนี้ให้ถึงพระอริยบุคคลเหล่านั้นนะเป็นสารณะ แต่ถ้าหากว่าอย่างพี่สู่บุคคลเสียหายอย่างเงี้ใช่ไหยเรามาบอกสังขังสรารนังขะฉามนีนน้ว่าไม่ลงอ่ะอย่างนี้มันไม่ใช่ละไม่ใช่อันพระสงฆ์ต้องอุชปฏิบันโนจริงๆอ่ะอุชูไหนอ่ะก็ตามผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์ตอนนี้ผมก็พึ่งพระสมบัติไม่ได้ดิก็ใช่อ่ะดิถ้าท่าถึงให้ถึงพระสงฆ์ แต่หมายความเราพึ่งพระธรรมจากที่ท่านแสดงได้ก็คือที่จริงเราก็พระองค์แปลว่าถ้าถ้ามาหวังดีต่อยอมจริงๆก็จะเป็นได้แค่กัลยาณมิตรเป็นได้แค่เพื่อนถ้ามาหวังดีกับโยมจริงๆนะเป็นเพื่อนแต่ถ้าหากว่าไม่หวังดีจริงๆก็เป็นตาประมิตรตอนนี้หวังดีเปล่าครับก็ถ้าหวังดีก็เป็นกัลยาณมิตรถ้าหวังไม่ดีก็เป็นตาประมิตร อาทีนี้จะยกข้อความในพระสูตรูตรนเนี่ยนะสูตรที่เอามาอ้างเนี่ยให้ฟังคําว่าเมื่อกี้ไงคําว่าตาปะตาปะแปลว่าบาปแปลเป็นไทยไทยบาลา ม, มกตา ป, ประมิตรก็คือมิตรชั่วมิตรลา ม, มกอะ่ะนั่นแหละถ้าหวังดีต่อกันจริงๆก็เป็นกาลยานมิดนั่นแหละนั้น ครูบาอาจารย์ในยุคหลังเป็นได้แค่กัลยาณมิตรที่จริงคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดเลยนะนั่นแหละแต่ถ้าธรรมดาอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่าสะพรมจารีผู้ร่วมประพฤติศีลสมาธิปัญญาในปาพจนี้ในาศาสนานี้ร่วมกันศึกษาร่วมกันขอามาไม่ใช่สารณะแน่น ไม่ใช่เลยอ่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดไม่ได้เนอะ